ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมรุตุมังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาทำสมาธิกันแต่ปัญหามันก็คือว่านี่ทำไมบางครั้งบางคราวทิตของเรามันก็ไม่สงบในเรื่องนี้ปราบุระชาตตอนเป็นโพธิสัตว ก็ได้เจอปัญหานีเหมือนกันท่านกล่าวไว้ดังนี้ว่าโกนุโคโหตุโกปัจโยเยนะเมเนคัมเมจิตังนปะันทะตินปะสีทะติอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งอยู่ในเนคมมะไม่หลุดพ้นไปในเนคัมมะทั้งทงที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบนั่นน่สิดังนั้นในที่นี้ตบูฟังเรามาตั้งสติกันขึ้นก่อนด้วยการเจริญอาณาปานสติจะํำจิตให้สงบได้เหมือนต้องไล่ไปตามลำดับ เหมือนจะนับถึงเก้าต้องนับแก่อนจะนับถึงแปต้องนับเจก่อนทุกอย่างมันต้องเริ่มจากหนึ่งมาก่อนเริ่มจากหนึ่งแล้วไปสองได้สองแล้วจึงไปสามได้สามแล้วจึงไปสี่ห้าหเจดตามลำดับเริ่มจากลมหายใจกองรนี่แหละตัมบัฟัง เป็นธาตุลมดินน้ำไฟลมลมคืออากาศที่อยู่รอบๆตัวเราที่แตมันคลื่อนไปเขาก็เรียกว่าลมลมที่เคลื่อนไปด้วยคุณหภูมิที่แตกต่างกันบ้างด้วยความดันความกดอากาศที่แตกต่างกันบ้างลมนั้นพอมันพัดผ่านโดนฝุ่นบ้างโดนไอร้อนไอเย็น ก็เรียกว่าลมมีฝุนลมไม่มีฝุ่นลมร้อนหรือลมเย็นตามลำดับลำดับของเขาแต่ลมที่มันเคลื่อนเข้าสู่ร่างกายของเราทางโพรงจมูกเราก็จะเรียกว่าลมหายใจเขา้าลมที่เคลื่อนออกจากร่างกายของเราผ่านทางโพรงจมูกเราก็เรียกว่าลมหายใจออก อากาศที่เคลื่อนไปเรียกว่าลมมันก็จะมีการกระทบกันกับสิ่งต่างๆในที่นี้ในโปรงจมูกเราก็จะรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้รับรู้ผ่านทางลมแล้วที่ของเรานี่แหละตัวฝังที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณ ให้วิญญาณการรับรู้ของเรานั้นมาอยู่กับลมหายใจทำให้อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับลมให้แรงให้ค่้อยให้เร็วหรือช้าให้กี่หรือห่างอย่างไรอย่างใดให้เป็นไปตามจังหวะของมันอย่างข้าพเจ้าพูดอยู่นี้ ลมหายใจบางทีมันก็ต้องเป็นไปตามจังหวะของการพูดก็ไม่ได้ต้องบังคับว่าต้องหยุดต้องเร็วต้องทีต้องห่างให้เป็นธรรมชาติเวลาเรารู้ดูลมนอกจากไม่ต้องบังคับลมแล้วร่างกายส่วนเื่นๆต่างๆก็ด้วยเหมือนกันตัมาฝังให้ปล่อยอย่างสบายๆไหลมาตั้งแต่ปลายเท้า เขาโคนขาเซเอลหลังหัวไรลสอกมือเท้าจนถึงคอถึงศีรษะถึงใบหน้าทั้งหมดไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรง็งแต่ให้ปล่อยส่วนต่างๆอวัยวะต่างๆของร่างกายเหล่านั้นอย่างสบายๆท้องหลังไหล่ ให้อยู่ในท่าที่สบายๆนอกจากไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องบังคับส่วนต่างๆของกายแล้วก็ไม่ต้องบังคับความคิดด้วยไม่ต้องบังคับความคิดว่าจะต้องคิดหรือจะต้องไม่คิดหรือจะต้องฟังหรือจะต้องไม่ฟังให้จิตเราอยู่ลมนะ ไม่ได้ว่าต้องไปใส่ใจในสิ่งต่างๆเหล่านั้นหยุ่กล่มยังเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับความคิดไม่ต้องเครงไม่ต้องบังคับกายแค่สังเกตดูเฉยๆธรรมดาธรรมดาเวลาเราสังเกตดูยุ่ลมสังเกตดูเนี่นมันจะไม่ได้เห็นอย่างเดียวมันจะเห็นหลายอย่าง แต่เราอยากจะให้เห็นอย่างเดียวมันจะเริ่มเป็นการบังครับมันจะไม่เป็นธรรมชาติแต่ไม่ต้องมีความอยากใดๆว่าต้องให้ไม่เห็นหรือเห็นไม่ต้องมีความอยากใดๆว่าต้องให้ร่างกายอยู่ในท่านี้หรือท่านั้นเอานะี่ะให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติถ้าเราไม่ได้จะต้องอยากให้มันเป็นอย่างนั้นหรืออย่างนี้แต่ทำายังเป็นธรรมชาติ ในท่าทางที่สงบสํมรวมมีความระมัดระวังไม่บังคับกับเกณฑ์มากเกินไปแต่ก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยจนเสียหายไม่เหลืออะไรเราจะสังเกตเห็นสิ่งต่างๆเา่งเช่นกายของเรานี้จะสังเกตเห็นสัมผัสของลมที่อยู่ในปรงจุมูกของเราได้มันก็จะเป็นประมาณนะั้นจุดที่เรารับรู้กลิ่น เราเราได้กลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นของดอกไม้ของอาหารหรือของขยะสิ่งของใดๆมันจะอยู่บริเวณนั้นแหละตั้มฟังเพ่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจของเราได้ตั้งจิตไว้นะที่ตำแหน่งนั้นสังเกตดูนอกจากทางกายความคิดนี้ในทางใจก็ด้วยเหมือนกัน ที่เราจะสามารถสังเกตเห็นความคิดนึกต่างๆที่มันจะผ่านมายูงรวมถึงเสียงที่เข้ามาทางหูยังรวมถึงน้ำหนักของตัวที่เรารับรู้ผ่านทางส่วนต่างๆของร่างกายได้สังเกตดูเนี่ยมันไม่เสียหายอะไรสังเกตดูได้เพราะการรับรู้คือวิญญาณซึงเปรีบไว้เหมือนกับ ยามที่เฝ้าอยู่ที่ประตูตับูฟังยามที่เฝ้าอยู่ที่ประตูสังเกตดูคนเข้าคนออกโดยไม่ตามไปเหมือนกันจิตเรามาอยู่ลมสังเกตดูเสียงผ่านทางหูรูปผ่านทางตาความคิดนึกผ่านทางช่องทางใจเห็นสิ่งต่างๆโดยไม่ตามไป นี่แหละมันเป็นกระบวนการการแยกแยะทันทีสเต็ปหนึ่งนะแล้วก็ต่อไปสเต็ปสองสเต็ปหนึ่งแค่สังเกตดูสเต็ปสองมันจะเริ่มแยกแยะทําไมถึงแยกแยะได้ล่ะท่านเพราะเวลาที่จิตของเราอยู่ที่ตําแหน่งเดียวในที่นี้คืออยู่กับลมจิตที่มาอยู่กับลม การระลึกได้นั้นคือสติที่ทำไมถึงไม่อยู่กับลมนะเพราะว่าสติหมายถึงเวลาที่เรานึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นบางทีเราวานเราไปกินอะไรมานะเออหนะ้าพ่อแม่เราเป็นยังไงนะหรือเมื่อวานนี้ฉันไปเจอใครมานะเราพูดว่ายอย่างไรนะสติท่านให้ความหมายไว้ว่ า, วาการระลึกถึงสิ่งที่ทํา จำคำที่พูดแล้วแม่นานได้แต่ในที่นี้แทนที่เราจะไปนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนีเรื่องน้ อ, งนอนการที่เรามาระลึกนึกถึงลมนี่แหละจึงเป็นอาณาปานสติการระลึกถึงคือสติพอเรามีการระลึกถึงคือสติแล้วหมายถึงจิตสติและลม อยู่ด้วยกันพอจิตสติและลมอยู่ด้วยกันสิ่งต่างๆที่เราสังเกตเห็นดูนั้นมีอะไรบ้างแน่นอนความคิดนึกเนี่ยมีแน่ไม่ว่าจะเรื่องอดีตอนาคตคนนั่นคนนี้เรื่องงานเรื่องครอบครัวเสียงนี่ก็มีแน่จะลืมตาอยู่ด้วยกัเห็นภาพด้วยลักษณะที่พอเรามีสติอย่างนี้แล้ว การที่จิตมันจะเพลินไปตามเสียงนั้นการที่จิตจะเพลินไปตามความคิดนั้นมันจะลดลงที่ทำไมถึงลดลงได้เพราะมีสติไงสติและความเพลินตรงข้ามกันมีสติอยู่ตรงไหนพลังความเพลินก็จะลดลงมีความเพลินอยู่ตรงไหนพลังสติก็จะลดลง เราในที่นี้ตั้งสติเอาไว้ความที่จิตจะเพลินไปตามเสียงตามความคิดก็จะลดลงจิตที่มันเพลินไปความเพลินเนี่ยนะไม่เหมือนกับสติมันตรงข้ามกันใช่ไหมสติเพลินและการรับรู้ก็แตกต่างกันบางคนมีการรับรู้คือวิญญาณแต่ไม่เพลินไงทำไมอ่ะเพราะมีสติบางคนมีการรับรู้ แต่ก็เปลินไปไงพระอาะวุเพราะไม่มีสติใครที่มันมามีสติหรือที่มันไม่มีมีสติก็จิตไงจิตเป็นตัวที่จะมาตั้งสติเอาไว้หรือไม่สติจึงเป็นตัวที่จะรักษาจิตได้หรือไม่ตรงนี้ชัดเจนเลยแป๊ะเลยมันก็จะเป็นการแยกแยะโดยอัตโนมัติเลยระหว่างการรับรู้กับความเปลินหรือสติ การรับรู้ก็อย่างหนึ่งคือวิญญาณสติหรือความเพลินก็อีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่อย่างเดียวกันคนที่รับรู้แต่ไม่ขาดสติมีผู้ฉลาดผู้มีปัญญาต้องหลายเช่นพระพุทธเจ้าแต่ไมท่านจะไม่ได้คิดถึงเรื่องในอดีตของท่านหรอกนี่เลยพูดไปชัดเจนคร้นก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ ก็ยังมีปัญหานี่เหมือนกันนี่ท่านปราตวัยเราจะท่านไม่คิดว่าดีท่านคิดยังไงอะไท่านจะมาพูดได้ยังไงก็แสดงว่าต้องคิดเรื่องอดีตเหมือนกันนะพราะเจ้าเราไปเหมาหมดว่าความคิดทั้งหมดมันไม่ดีทั้งหมดเป็นการฟุ้งซ่านทั้งหมดเฮ้ยนั่นเรายินไปดูเข้าใจคลาดเคลื่อนไปแล้วมันคื อ, อยังแยกแยกไม่ได้มันเหมาเหมารวมกันไปอยู่ รจึงต้องแยกยกให้ถูกตั้งสติให้เป็นสติจะเป็นพื้นฐานของสมาธิสิ่งที่มันจะมากั้นมาขวางเอาไว้ไม่ให้สติเปลี่ยนเป็นสมาธิได้กับนิวรณ์นี่แหละนิวรณ์ในกาพเจ้าพูดไปแล้วอย่างละเอียดเป็นสองอพิโซดที่ได้กล่าวไว้ในตอนก่อ น, อนตอนนี้จากสติผ่านมากําจัดนิวรณ์ จะให้เกิดเป็นสมาธิสมาธิแต่ละขั้นสมาธิแต่ละสเต็ปตรงนี้แหละสำคัญดีกว่าเราต้องรู้จักที่จะแยกแยะให้ได้อย่างละเอียดสติต้องมีกำลังตัง้งบฝังสติจะมีกำลังได้ทำบ่อยๆไงเหมือนสับหมูสับลงไปสับลงไปสับลงไปจากหมูชิ้นใหญ่ๆ มันก็ละเอียดลงไปละเอียดลงไปเวลาเราสรับหมูเราต้องคอยแยกแยกนะว่าตรงไหนมันยังไม่ละเอียดตรงไหนมันยังเป็นชิ้นใหญ่ๆอยู่ก็ต้องแยกส่วนมาสับมาตรงนี้ในตรงที่ละเอียดแล้วก็ไม่ต้องสับไปอีกต้องรู้จักที่จะสังเกตดูให้อยู่ตลอดเช่นเดียวกันจิตของเราสังเกตดูตั้งฟัง สังเกตดูด้วยลมหายใจสังเกตดูด้วยสติลมหายใจกับสติก็คนละอย่างกันนะเราดูไปดูไปเนี่บางทีจิตเรามีควารระ ง, งับลงระงับลงทำให้สัมผัสของลมบางทีมันก็เบาบางมากสัมผัสของลมที่เบาบางมากทำให้บางทีเหมือนกับลมหายใจมันหายไปแต่จริงๆมันก็มีอยู่นั่นแหละแต่แพลวเบามาก ให้เราตั้งจิตของเราไว้ที่เดิมสติจิตและลมอยู่ด้วยกันจะเริ่มสังเกตเห็นสังเกตเห็นความคิดอะไรที่มันมีนะถ้ามันมีก็มีละแต่มันไม่มีก็ไม่มีและแต่สิ่งที่จะดับไปก่อนเพื่อนเลยนั้นขืน่นวอนตอนัรนมันก็ยังไม่ดับหรอก มันก็ยังคุ้งซ่านบ้างมันก็ยังจะมีความคิดไปในทางการทางพยาบาทมีความง่วงซึมอะไรต่างๆบ้างยังไม่ดับดีใช่ไหมแต่พอเราสังเกตไปสังเกตไปนี่คือพอเราไม่ใส่ใจจิตของเราไปทางไหนจิตของเรามันก็ไม่ตรึตรึกไม่เคลื่อนไปทางนั้นหมายถึงแค่ถ้าเราสังเกตดูเฉย จิตเราไม่ได้เปลินไปใช่ไหมล่ะเพราะว่าสังเกตดูนไม่ได้เปลินนะสังเกตดูมันสติงี้ยมันตรงข้ามกับเปลินเพราะจิตเราไม่เปลินไปทางไหนสิ่งนั้นมันจะอ่อนกำลังมันจะไม่มามีอํานาจเหนือจิตของเราได้เปรียบเทียบส่วนต่างนะทุกฝังว่าถ้าเราเปลินไปทางไหนใช่ไหมสิ่งนั้นมันจะมามีอํานาจเหนือจิตได้เพราะอะไรเพราะจิตเราจะคล้อยเคลื่อนไปทางนั้นไง เพรจิตเรามีการคลอยเคลื่อนไปทางไหนตริตรึกคิดนึกสิ่งนั้นจะมีพลังขึ้นมาทันทีทำไมอ่ะเพราะจิตให้อำนาจกันไงจิตของเราให้พลังกับสิ่งนั้นนะสิ่งนั้นจึงมามีอำนาจเหนือจิตของเร า, นะาแต่ในทางตรงข้ามว่าถ้าเราไม่เปลินไปทางไหนจิตเราไม่คลอยเคลื่อนไปทางนั้นก็คือจิตเราไม่ให้พลังกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันจะมามีอำนาจเหนือจิตของเรา ไม่ได้ที่กเรามันก็จะแกสังเกตเห็นอนะไอเจ้าความฟุ้งซ่านเจ้าความง่วงซึมเจ้าความคิดในทางการทางปัญาบาทมันจะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงพราะอะไรเพราะเราไม่เพลินไปทางนั้นไม่ให้กําลังกับมันสิ่งนั้นมันก็อ่อนแรงไปความฟุ้งซ่านลดลงไปความง่วงซึมหายไป ความคิดในทางการทางพยาบาทระ ง, งับไปมันก็จะเหลือแต่ความคิดทั่วๆ่วไปที่ไม่ได้เป็นไปในทางพยาบาทไม่ได้เป็นไปในทางการแล้วก็ไม่ได้เป็นไปในทางการเบีดเบียนดันเรียกความคิดเหล่านี้ว่าเป็นวิตกวิจารณ์ถ้าจิเราสงัดจากการมและอกุศลธรรมต่ำทั้งหลาย นิวรต่างๆหายไปนี่เรียกว่าเป็ น, นระดับที่หนึ่งแล้วตั้งบ่ฝังก็เรียกเป็นปฐมฌานตั้งนี้ตั้งนั้นต้องมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้นะวิตกวิจารคือความคิดนึกตรีตรึกที่ไม่เป็นไปในทางการปรยาบาทหรือเบียดเบียนเพราะอากุศลธรรมเหล่านั้นหายไปแล้วดับไปแล้ว ลักษณะของความฟุ้งซ่านก็คือความคิดที่เป็นไปในทางการประหาัดเบียดเบียนที่เราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจอากเรื่องนั้นไปเรื่องนี้ที่เป็นไปในทางการบ้างประหยัดบาสบ้างเบียดเบียนบ้างสลับเป็นไปแต่ถ้าเราคิดนึกเรื่องที่มันไม่ใช่การไม่ใช่ประหยาาัดไม่ใช่เบียดเบียนแต่สลับเป็นไปเหมือนกันนะเรื่องที่หลีกออกจากการเรื่องความปรารนาดีเรื่อง ที่ประกอบด้วยเมตตาคิดเรื่องที่เป็นกุศลสลับเป็นไปสลับเป็นไปเนี่ยมันไม่ใช่ความภูกสาแนะมันเป็นวิถีวิจารณ์ดันเรยกคำถามในที่นี้คือว่าเฮ้เรารู้ว่าสิ่งนี้มันดีอยู่แล้วใช่ล่ะในการคิดเรื่องที่จดลิกออกจากกาย ม, มีเมตตาไ ม, ม, ม่พยายามบัดแต่ทำไมจิตมันยังไม่ได้น้อมไปในลักษณะนั้นอย่างเต็มที่ เรื่องความจำนานตั้มมาฟังเรื่องความจำนาญที่เราทําให้อยู่บ่อยๆในที่นี้ท่านจึงบอกว่าถ้าเราเห็นประโยชน์ของลักษณะจิตที่เป็นอย่างนี้เห็นโทษในความคิดนึกที่เป็นทางการพยาบาทหรือเบียดเบียนอยู่มากๆอยู่บ่อยๆจิตเรามันจะคล้อยเคลื่อนไปทางนั้นเอง คือใส่เกียร์หน้าเดินขึ้นหนึ่งขั้นเลยเรียกว่าเป็นปฐมฌานคือจิตเรายังมีความคิดนึกอยู่ยังมีการปรุงแต่งที่ประกอบด้วยวิตกวิจารณ์เพอเรามีความคิดนึกในเรื่องใดที่เป็นกุศลธรรมแล้วมันจะมีความอิ่มเ อ, อิบใจความสบายใจนั่นคือปีติและสุขอยู่ มีวิตก ว, วิจารณ์มีปีติและสุขนั้นเกิดจากความมิเวกความมิเวกในที่นี้ก็คือไม่มีกาไม่มีพยาบาตไม่มีบิดเบี ย, บยนนั่นเองเอาละปีติสุขมาจากไหนคือพอลักษณะจิโกเราที่อยู่ในช่องทางใจได้รับการปรุงแต่งจากสิ่งต่างๆที่มากระทบสิ่งต่างๆที่มากระทบนั้นถ้ามันเป็นปัจจัย ที่ตั้งแห่งทุกขเวทนามันก็จะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นหรือถ้ามันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเช่นเสียงร้องที่น่าพอใจอาหารอากาศที่น่ายินดีเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนามันก็จะมีสุขเวทนาเกิดขึ้นปรุงแต่งในช่องทางใจของเราพอมีทุกขหรือมีสุขเกิดขึ้นแล้วจิตจะมีความพอใจหรือไม่พอใจที่เป็นลนักษณะความเพลิน ที่ถูกปรุงแต่งไปตามสุขหรือถูกนั้นมันก็จะผลิตกิเลสออกมาไงจิตที่ถูกปรุงแต่งนั้นผลิตเป็นถ้าชอบก็ราคะถ้ากเกลียกก็โทสะถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจก็เป็นโมหะผลิตออกมาแล้วออกมาก็อยู่ในช่องทางใจนั่นแหละปรุงแต่งกันไปปรุงแต่งกันมาเนะี่ยเหมือนกับว่าเราหมักยาดองนี่หรือเอา สมอเอามะขามป้อมมาหมักในน้ำเกลือสิ่งที่ออกมามันก็อยู่ในหม้อนั่นแหละก็หมักกันต่อไปอีกนั่นแหละน้ำเกลือทั้งน้ำจากผลไม้ก็หมักกันอยู่ในนั้นทั้งหวานทั้งเค็มทั้งเปรเี้ยวก็หมักกันอยู่ในนั้นสิ่งที่ปรุงแต่งมามันก็อยู่ในช่องทางใจของเรานี่แหละปรุงแต่งออกมาอยู่ในช่องทางใจยินเลดราคาโสะก็อยู่ในนี้ ในช่องทางใจถ้ามันมีสิ่งไหนมากจิตมันไปก้าวลงโดนตรงไหนมากกว่าเป็นไปตามอารมณ์นั้นโกรธบ้างอยากบ้างสบายบ้างเครียดบ้างยิ้มแย้มบ้างง่วงบ้างมีหมดแต่ที่นี้ถ้าบอกว่าเรากําจัดอเจ้าสิ่งที่เุศรรออกไปซะโดยการจัดระเบียบให้กับจิตของเราด้วยสติที่ตั้งขึ้น จากการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือสังกัดจากการมสังกัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายหมายถึงสิ่งสกปรกเครื่องปรุงแต่งไปในทางอากุศลที่อยู่ในช่องทางใจนั้นมันระงับไปหายไปจาง ก, กลายไปสิ่งที่เป็นกุศลคือวิถวกวิจารณความคิดนึงในเรื่องดีๆสติสัมปชัญญะมีเกิดขึ้นแล้ว แม่มันจะมีความอิม่มเอบใจความสบายใจอยู่นะตุกบุฟังเหมือนห้องมืดๆไงทาสีดำทั้งกำแพง ก, ส ก, สพงกง็สีดำฝ้าก็สีดำพื้นก็ยังปูกระเบื้องสีดำเฟอร์นิเจอร์ก็ดาๆมาใส่โว้มันจะมึนตะนมันจะไม่สว่างเลยแต่ถ้าเราปเปลี่ยนพื้นกระเบื้องใหม่เป็นสีขาว ทาฝ้ า, าทาผนังเพดานในเป็นสีขาวเอาเฟอร์นิเจอร์สีขาวมาใส่เอากระจกมาติดตั้งเออมันจะสว่างขึ้นมาเลยเช่นเดียวกันว่าในสิ่งแวดล้อมของใจของเราถ้ามีสิ่งที่เป็นกุศลธรรมขึ้นมาในที่นี้เริ่มจากวิถกวิจารณ์ความคิดในทางกุศลไม่ว่าจะเกิดจากการที่เราตั้งสติขึ้น หรือฟังเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งจากใครสักคนใดคนหนึ่งเกิดมีกำลังใจเกิดมีความหวังเกิดมีศรัทธาขึ้นมันมีวิตกวิจารแล้วนะเป็นวิตกวิจาร์เป็นสิ่งที่เป็นกุศลเกิดขึ้นในช่องทางใจมันจะมีความอิมอ่มเอิบใจความสบายใจนั่คือปีติจะมีความสุขใจที่ไม่ใช่เป็นสุขเวทนาแล้วนะ คือมันเหนือกว่าสุขเวทนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งคือไม่ได้ว่าต้องให้สิ่งนั้นเกิดสิ่งนี้มีสิ่งนั่นเป็นลราถึงจะมีความสุขแต่ว่ามีความสุขความสบายใจได้ก็จับนี่แหละความคิดนึกที่อยู่ในใจวิถุวิจาร์มีปีติมีสุขเกิดขึ้นทำให้ชุ่มทั่วทำให้ชุ่มรอบด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกนั้น ด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิโตกิจานั้นทุนปริเมือนเวลาที่เราทำเยลลี่ตัวฟังเวลาที่เราทำเยลลี่เยลลี่หรือทำขนมประเภทหนึ่งที่มันจะต้องมีส่วนประสมที่มันต้องเข้ากันดีจนกระทั่งว่าให้กระบวนการก็มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะแข็งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นขนมชั้นเยลลี่ หรือขนมถ้วยขนมใส่ไส้ขนมโมกมันต้องเข้ากันนะส่วนะสมนะถ้าว่ามันไม่เข้ากันเนี่ยมันไม่ solidify ขึ้นมามันไม่เป็นชิ้นมันไม่เป็นก้อนขึ้นมากับพี่ชาเคยเห็นขนมชั้นที่มันมันไม่เป็นชั้นนะแต้าังมันยุยยุยย่ออกมันจะแตกออกหรือเยลลี่ที่มันผสมกันไม่ทั่วถึงแล้วส่วนข้างๆมันก็จะไม่เป็นก้อน มันจะเป็นเฉพาะส่วนนี่มผสมกันได้ตรงกลางๆข้างๆมันก็ยังเป็นน้าเป็นอะไรอยู่เออมันไม่เข้ากันมันไม่ทั่วถึงมันไม่เต็มร่องกอเริเหมือนกับสมาธิของเราเนี่ยมันยังไม่เข้ากันดีส่วนประกอบในที่นี้คือลมหายใจสติและจิตมันยังไม่เข้ากันเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันทําไมบางทีมันก็ยังมีความเพลินเผลอหลงไปบ้าง มีกุศลละธรรมเกิดขึ้นบ้างทีนี้พรรอเราผสมกันเข้ากันดีแล้วเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกท่านก็จะพูดถึงการทำสบู่ท่านังที่เอาขันสมฤทธิ์คือขันที่เป็นโลหะแล้วก็ผสมกับน้ำหมักแล้วก็ใส่สารอะไรลงไปมันแข็งขึ้นมาเป็นก้อนแล้วก็จะเป็นสบู่ก้อนแข็งขึ้นมา ไม่ชาระล้างสิ่งต่างๆได้สักผ้าได้ไม่รั่วไหลออกมาเป็นน้ำเป็นหยดแต่เป็นค้อนเป็นชิ้นเข้ากันเช่นเดียวกันว่าถ้าจิตของเราตั้งสติไว้อย่างดีมีสติจิตและลมเข้ากันแล้วความคิดนึกที่เกิดขึ้นเหลือแต่วิตกวิจารไม่มีความคิดในทางการปฏิบัติเบียดเบียน แราก็มีปีติมีสุขเกิดขึ้นในกายของเราชุ่มทั่วไปหมดไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีเลยนี้แหละดูฟังคือฌานที่หนึ่งเป็นปฐมฌานเกิดขึ้นจากการที่เราตั้งสติคนเอาไว้จิตของพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตย์ยังไม่ได้ตรัสรู้ จากที่ทําไม่ได้แบบไม่เป็นเลยไปเลยแบบสมาธิไม่ได้เสือมไม่สงบแต่ไป ม, มีนิวรณ์มากพยายามจะทำแล้วมันก็ใหม่ไปพยายามแล้วพยายามอีกก็ยังไม่ได้เฮ่ทาไมทําไมโอเพราะว่ายังไม่เห็นโทษในนิวรณ์ในกามยังไม่เห็นประโยชน์จากชานที่หนึ่งจากการที่มีแต่ วิโตวิชารไม่มีความคิดในทางกามอย่างอื่นๆคือบางคนเนี่ยมันก็จะแบบเออเดี๋ยวไปกินนั้นๆเออเดี๋ยวไปดูอันนี้ยังมีความคิดนึกไปในทางกามอยู่ไงคือว่าสิ่งนั้นมันมีประโยชน์แต่เมื่อได้เห็นโทษแล้วนะโห้กรรมนี่มีทุกมากมีโทษมากทําให้เกิดความเดือดร้อนมากโทษในกรรมมีมากเป็นอย่างยิ่งใครกรวดตรีตรึกโอเหมือนแผ่นหนัง มันจะต้องมารับให้เขาตีเขาทุบโอ้เหมือนกับกระดูกที่ไม่มีเนื้อติดอยู่เลยไปแท้กระดูกมันก็ไม่อิ่มเลยได้แต่กินน้ำลายตัวเองมีโทษเหมือนกับนกข้าบชิ้นเนื้อมานกตัวอื่นเห็นก็จะตามโชคคอยจิกคอยโฉบให้ปล่อยให้คายมันก็ได้รับความทุกข์แน่นอนเห็นโทษแล้ว นึกถึงทุกที่จะเกิดขึ้นก็ว่าคนเราเนี่ยทำไมมันจะไม่รักสุขเกลียดทุกข์ใช่ไหมละ่ะใครๆก็รักสุขเกลียดทุกข์นั้นน่ะหั ว, นะวไม่เอาดีกว่าให้เอาความคิดในทางกามในทางอกุศลไม่เอาไม่เอามันมีทุกข์มากมีสุขน้อยมาเอาประโยชน์เอาสุขจากนี้ขบมานี้ดีกว่าชาติทีนี่ดีกว่ารสนาการก็ไร้คนรวยแบบเนี้ยตั้ฟัง คือโยนิโสมนาสิกันโยนิโสมนาสิกันการกระรกรุ่นโดยแยกขายคือใช้ธรรมชาติของจิตเอาชนะตัวมันเองใช้ธรรมชาติของจิตที่มักจะคล้อยเคลื่อนไปตามอารมณ์ต่างๆแน่นอนคือความอยากตุกเวลาเอาความอยากมาชนะความอยากอะเอาความอยากคือรักสุขกลียดุก ใำ่ไหมจิตทุกคนเป็นอย่างนั้นไม่อยากได้ทุกอยากได้สุขสุขก็การไงมันเห็นชัดเจน ง, ง่ายๆแต่พอเรามาใคร้ครนด้วยปัญญาโดยแยบขายว่าโอ้จริงๆมันไม่ใช่สุขนี่มันโทษมากมันมีทุกมากจนทุกและโทษเนี่ยโทษ น, นรวมกันไปหมดแต่ไอสมาธินี่มีสุขมากมีประโยชน์มากโทษน้อย ที่จะว่าเบื่อโอ้ยไม่อยากทําทําไม่ได้นั่นคือไม่แยบขายทําไม่เป็นพอไม่แยบคายไม่เข้าใจเมืันเลยเอาชนะกําลังธรรมชาติทวนกระแสของจิตไม่ได้ไงมันจึงเป็นการฝืนมันจึงเป็นความลําบากมันจึงต้องเป็นความอดทนอดกลั้นอย่างมากซึ่งมันก็ยากอยู่แต่พอมีการใกล้กรุนโดยแยบขายเข้าใจเรื่องต่างๆอย่างดี พยายามตั้งจิตไว้อยู่อย่างถูกต้องเหมือนเป็นอัตโนมัติตบมฝังที่พอถึงจุดของมันปุ๊บมันก็ไหลเยียงเทมาในทางนั้นเลยอ่ะพอเราใกล้ครุณาแยบคลายถึงโทษของการปยาบาตและเบียดเบียนให้เห็นประโยชน์ของสิ่งที่เป็นสุขจากในภายในเป็นเนกัมมะจิตมันก็คล้อยเคลื่อนไปเลย จึงสามารถสังัดจากการมสามารถสังัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายเข้ากันหมดเหมือนกับสบู่เหมือนกับขนมชั้นเหมือนกับขนมถ้วยที่ส่วนประกอบก็มันเข้ากันหมด c o n s i s t e n c y เป็นนน่นเดียวกันเป็นชิ้นเนื้อเดียวกันแต่ที่มันเป็นของเหลวแยกกันได้อยู่ตอนนี้มันเข้ากันหมดแล้วเหมือนกันจิตของเรานี่มัน มีความนุ่มนวลอ่อนเหมาะเกิดขึ้นจากการที่เราแค่มาสังเกตดูลมหายใจของเราความคิดนึกมันไม่แตกแปลกแยกกันไปเลยมันเข้ากันได้หมดเพราะเป็นกุศลธรรมเหมือนกันไงทีนี้ต่อไปก็คือว่าบางทีบางครั้งปัญหาที่มันเกิดก็คือไอความคิดนึกมันมีวบวบแบมบแบมบที่ไปคิดในทางการทางปยาบาดหรือเบียดเบียนบ้าง มมันเข้ากันอยู่ก็จริงอ่ะแต่มันบางบางที่บางส่วนมันหลุดหลุดออกมาอย่างเงี้ยนะบางทีบางส่วนมันยังแตกแตกหลุดออกมาอย่างเงี้ยนะเฮ๊ะทำยังไงบางทีเราคิดเรื่องที่เออฉันเคยไปให้ทานที่นั่นจัดงานกระถิ่นที่นี่ป่าป่าที่โน่นแหมดีมากเลยคิดนึกทีไรก็จิตใจเป็นกุศล แต่บางทีมันก็จะคิดถึงว่าโอ้โหข่าวนนั้นเราไปเหนื่อยขนาดนี้แล้วก็เป็นโรคนี้โดยท้องเสียด้วยไอ้ความคิดที่เป็นอกุศลบางมันาแวบขึ้นมาอกุศลไม่ใช่ทุกนะแล้วกุศลนี่ก็ไม่ได้มาความเมื่อมันคือสุกนะมันก็หลาอย่างกันนะทุกเกิดกุศลก็ได้แต่เปลว่าเรารู้จักอดทนสุกเกิดอกุศลก็ได้แต่เรามัวดือบเลินไปหล่มลงไป บางทีนึกถึงความสุขแล้วมันเพลินนั่นแหละมันมีอาพาธเกิดขึ้นแล้วเหมือนคนมีสุขภาพดีไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแมแต่บางที่มันปวดไหล่ ม, มันปวดข่าวเวลาเดินในบางท่าแม้นั่นเป็นอาพาธที่มาคอยแทรกแซงอยู่ในนี้นะมั่นก็คือเราได้ช้าหนึ่งแล้วไม่ได้คิดเรื่องการปฏิบัติเบียบเบีนแล้วแต่บางที่มันยังกลับมาบาง เป็นครั้งเป็นคราวท่านจึงแนะนํำว่าให้ทํายิ่งขึ้นไปทํายิ่งขึ้นไปคือแทนที่ว่าจะคิดเรื่องดีๆงั้นไม่ต้องคิดมันเลยเออถ้าไม่ต้องคิดมันเลยเนี่ยแล้วไอ้เจ้าความคิดในทางอากุศลมันเกิดไม่ได้แน่มันจะไต่ขึ้นไปตามลําดับละจากที่ไม่มีฌานไม่มีสมาธิเลยคิดนึกในทางการปยาบาติเบียดเบียนไปเลยเอาขึ้นมามีฌานหนึ่ง หมาถึงการที่มีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขเกิดขึ้นแต่บางครั้งเมื่อครามันทีมันมีอาพาธตึงฟังอาพาธที่เกิดขึ้นจากความคิดในทางกามที่มันไหลๆออกมาบางละเอียดขึ้นไปก็คือมันไม่ต้องคิดอะไรเลยก็และกันการที่เราจะไม่คิดอะไรเลยก็คือวิตกวิจารณ์ระงับไปไม่ต้องคิดเลยความคิดนี้ไม่ต้องไปใส่ใจมันเลยฮะ จะมีมากก็ามากพอเราไม่ตรึตรึกไปทางนั้นเดี๋ยวสิ่งนั้นก็อ่อนกำลังไปเองมีแต่ปีติและสุขอยู่คือคิดเรื่องเดียวนะ่ะไม่ได้คิดไปหลายเรื่องในที่นี้คือคิดเรื่องลมหายใจอย่างเดียวคือไม่ใช่ว่าเป็นความคิดวิตกวิจารย์เงี้ย น, นะแต่เป็นความคิดที่อยู่ับลมหายใจอย่างเดียวพรามาตรึตรึกรอยู่ลมหายใจ อย่างเดียววิตกวิญญาณเป็นยังไงวิตกวิจารณ์ที่มันมีอยู่มันก็จะค่อยจางคลายไปดับไปทําไมนะเพราะเราไม่ได้ให้กําลังกับมันไงและสิ่งที่สําคัญนะคือตาตะบะฟังฟังมาจนถึงตอนนี้เราจะมาสงสัยไว้เาเพื่อมาต่างกับตอนแรกยังไงแสดงว่าเราข้ามขั้นมาแล้วขั้นแรกก่อนที่เราจะมาล่าความคิดได้คุณต้องรู้จกักแยกแยะความคิดนี้มาได้ ก, ก่อน แยกแยะระหว่างความคิดไม่ดีอกุศลกับความคิดที่ดีเป็นกุศลแยกแยะความคิดให้ได้ส ก, ก่อนถึงจะค่อยทิ้งความคิดได้ท่านบริวายเหมือนกับแม่วัวปีนภูเขาวัวผูเขาอะ่ะมันจะไปสู่หุบเขาใหม่หน้าผาใหม่ที่มีหญ้าที่ยังไม่ได้เคยกินน้ำที่ยังไม่ได้เคยดื่ม จะบอกว่ามันก้าวเท้าลงข้างหน้าไม่ดียกเท้าหลังขึ้นจะไปได้ยังไงยกเท้าหลังขึ้นก็ไม่ได้เพราะว่าเท้าหน้าก้าวไม่ดีเท้าหลังก็ไม่มันโกงแล้วจะถอยเท้าหน้ากลับมาก็ไม่ได้อีกพังทั้งสองทางเสื่อมทั้งสองอย่างก็คือพวกที่มักจะข้ามขั้นตอนจากศูนย์ไปสองเลยเอกแล้ว ห, หนึ่งไปไหนก็โดดกันไปเลย ไม่ได้อันตรายทุกฟังอันตรายพระอะไรเหมือนขึ้นบันไดนี่แหละอยู่ขึ้นสองกั้นสามกั้นนะเราอยู่กว่าก็จริงแต่ใช้กําลังมากนะเผลอๆแต่บอกว่าทําไม่ถูกไม่ระวังตกบันไดนะเหมือนกันจิตเราบางทีถ้าอยู่ๆก็จะทิ้งความคิดเลยโดยไม่สังเกตดูมันซะก่อนบางทีมันมีปัญหาได้เป็นเพียงเพียงได้สมาธิเสื่อมทั้งสองส่วนได้ เราแยกแยะออกแยกแยะออกสังเกตดูสังเกตดูสังเกต ด, ดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไม่ตามไปในที่นี้ทั้งความคิดในทางการปิบัตเบียดเบียนแยกไปทั้งความคิดที่เป็นวิตตวิจารแยกไปหรืออยู่แต่ความคิดหมายถึงการตรึกตรึกที่เราใช้ว้อยู่กับ ลมหายใจมันอาจะแผ่วเบามันอาจจะเห็นชัดเจนเห็นนิดหน่อยได้หมดโอ้ยถ้เราไหายใจอยู่ตอนนี้เราก็ตายแล้วใช่ไหม巴拉แต่เรายังไม่ตายก็แสดงว่าเราก็ยังหายใจอยู่นั่นแหละเบาน้อยนิดเดียวก็เอาลองสังเกตดูสังเกตดูลมแล้วอยู่อย่างเดียวแล้วมิโตพิจารณ์ร ง, งับไปก็จะเหลือแต่ปีติและสุข เกิดความอิม่มอิบใจความสบายใจที่ละเอียดลงไปใ้ความละเอียดลงไปตรงนี้คือขั้นจองละ่ะก็เรียกว่าเป็นทุติยชาตคือลักษณะการเพ่งที่ระงับลงไปตามลาดับจากที่ไม่มีอะไรเลยเป็นกรารไปเลยก็คือเป็นตปในทางกรารปฏิบัติเบียดเบียนตั้งสติขึ้นรู้จักกำจัดออกไปแล้วเหลือความคิดทั่วๆวไปนั่นเเป็นปฐมวิชาตอนนี้เอาความคิดทั่วๆ่วไป ที่ไม่ใช่การปฏิบัติและเบ็ดบีนออกไปด้วยหรือแต่เรื่องลมอย่างเดียวนั่นคือฌานที่สองแล้วท่านผู้ฟังระดับที่สองแล้วปัญหาที่คนที่ละเอียดระดับนี้เขาจะเห็นได้ก็คือว่าเออบางทีมันก็ยังไปคิดนึกอยู่นาคิดเรื่องดีๆนี่นแหละคิดเรื่องที่เป็นในทางกุศลธรรมนี่แหละเป็นมิตรอิจารนั่นแหละมันมันก็หยาบขึ้นไงละเอียดละเอียดอยู่แล้วอ่ะแม่มีมี ความคิดบางอย่างมันกลับมาบ้างหรือคิดเรื่องงานบ้างคิดเรื่องงานที่ไม่ใช่การพยาบาลเป็ยเบีย น, นะแต่คิดเรื่องลูกบ้างเออเรื่องสามีบ้างเออเขาไปทําความดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะเป็นยังไงมันเดี๋มีความกังวลอะ่ะแต่บางที่มันบ๊อบๆ๊อ บ, บแบบบบานมาแหมเอ า, อางี้ละกันจะกํากจัดให้เจ้าสิ่งที่เป็นแบบมากวนใจเนี่ยมันละเอียดลงไปมันไม่ละเอียดเต็มที่เนี่ยเลื่อนกันไปอีกตัง้งบ้ง จากหนึ่งมาสองจากสองไปสามสิหลีลงไปจากทูติยชาญก็ไปตาติยชาญไงทํำยังไงโอ้โทษนี่ต้องเห็นประโยชน์นี่ต้องมาพร้อมโทษในชาญที่สองเราต้องเห็นประโยชน์ในชาญที่สามเราต้องเจอมีโทษด้วยหรอก็นี่ไงกําลังพอลอูว่าสิ่งไหนที่มีโทษมาก ประโยชน์น้อยโอ้เรารบทิ้งเลยสิ่งไหนมีประโยชน์มากโทษน้อยเอาเราเอาก่อนสิเจอความคิดในทางการมีโทษมากไม่เอามีประโยชนิดเดียวจะไปเอาทำไมแต่ปฐมวิชาร์มีประโยชน์มากมีโทษน้อยดีเอาสิเอาไว้ก่อนอะไรมีประโยชน์มากโทษน้อยเอาเลยดีเลยใช้เลยทําเลยเฮ้แต่เห็นโทษของมันอยู่นะ โทษมันมีน้อยกว่าจริงแต่มันก็มีอยู่่ะแล้วประโยชน์ที่มากกว่านี้มีไหมชั้นสองไงชั้นสองมีโทษน้อยกว่าชั้นหนึง่งประโยชน์มากกว่าชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งก็มีประโยชน์อยู่แต่โทษมันก็มีมากกว่าชั้นสองอีกเอาถ้างั้นทําไงกูไม่เอาละในชั้นหนึ่งเห็นโทษของไอ้เจ้าชั้นหนึ่งให้มากเห็นประโยชน์ของชั้นสองให้มากมันก็เลื่อนขึ้นมาลักษณะเดียวกัน คิว่าเห็นโทษในฌานสองให้มากเห็นประโยชน์ในฌานสาให้มา ก, ออกโทษในฌานสองมีอะไรกูนี่มันยังมีการอาพาดของมึงทีก็ต้องไปคิดนึกบ้างมาอาปดมาได้งไงมันเป็นความหยาบมันเป็นความไม่ชำนาญที่มันเกิดขึ้นมันก็ยังต้องไปคิดนึกบ้างโอ้ยถ้าจะให้ดีกว่าเลยนะไม่ต้องคิดนึกเลยทำไงอ่ะอยูเบขา มีความคิดนึกอะไรมาอุเบกขาหมดไม่เอาหมดทิ้งความคิดได้เลยเมืแต่เรื่องของลมก็ไม่ได้ว่าจะต้องไปตรึกคิดในเรื่องลมละอะมาอยู่กับอุเบกขามีลมกับอุเบกขาด้วยในลมนั้นมีความคิดนึกกับอุเบกขาด้วยในความคิดนั้นไม่เอาอุเบกขาคือการวางเฉยการวางเฉยคือแน่นอนว่าไม่เปลินไปละ มีสติตั้งขึ้นอยู่กับลมแล้วก็ให้กาหนดความรู้สึกที่เป็นอุเบกขาคือการวางเฉยเอาไว้ด้วยมีอุเบกขามันก็จะมีสุขที่เกิดจากอุเบกขานั้นคือหมายความว่าถ้ามีปีติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยตรงฝั่งจากสองขึ้นไปสามเนี่เหมือนคือต้องกำจัดปีติให้ได้ หมายถึงความคิดนึกเรื่องราวอะไรที่มันแหมสบายใจยหิบหมิบใจแล้วมันจะมีความคิดนึกว่าเอออยากจะให้ชวนคนนั้นมาบ้างอยากจะให้คนนี้ได้มาปฏิบัติบ้างลักษณะที่มีมความคิดบ๊าบบ๊อบแบมบนี่แหละมันคือวิตกวิจารที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีปีติอยู่แล้วมีสมาธิมีปเตโยเนี่ยพอดีมีวิตกวิจารยุทํทำยังไงเงินปีติก็ไม่เอา มีปีติเกิดขึ้นก็น อ, อุเบกขาเลยเพราะปีติในบางทีมันทำให้มีวิตกวิจารณ์เกิดอุเบกขาเลยในปีตินั้นอุเบกขาในปีติหมายถึงพอมีความรู้สึกอิ่มเอิใจความสบายใจเราตั้งจิตในการที่จะให้จิตของเรานวางเฉยในความรู้สึกปีติคืออิ่มเอิใจความสบายใจที่เกิดขึ้นให้มีการวางเฉยมีการวางเฉยนั่นคือ อุเบกขาอุเบกขาคือการวางเฉยในปีติที่เกิดขึ้นนั้นพอวางเฉยในปีติแล้วมันก็จะมีนั่นคืออุเบกขาไงอุเบกขามันก็จะยังมีสุขที่เกิดจากอุเบกขานั้นอยู่อุบัมาประไมยตรงนี้ท่านฟังพระพุทธเจ้าก็ไล่มาจากที่เหมือนกับการทําซบูการทาเยลลี่การทาขนมนั่นคือชาติที่หนึ่ง ที่บุตรองค์มันเข้ากันทั่วใช่ไหมชาตนที่สองนั้นท่านเปรียบเหมือนกับห่วงน้ําที่มีน้ําปลุ่งขึ้นจากทางด้านหลุมในแหล่งน้ํานั้นห่วงน้ํานั้นไม่มีน้ําอื่นไหลเข้าเลยไม่ว่าจะจากทางเหนือใต้ออกตกไม่มีฝนตกเลยแต่อยู่ๆมันมีตาน้ําผุดขึ้นมา ทำให้ห่วงน้ําเนี่ยมันมีน้ําเต็มขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาน้ำนั่นก็น้ำเย็นด้วยจิตใจที่มีวิโตวิจารณ์มีปีติสุขก็ลักษณะเดียวกันทีนี้พอเราเห็นอ า, าพาธในความเดียวเออมันที่มันมีความคิดนึกเป็นแนต่างๆใช่ไหมเราก็เลื่อนขึ้นมาไม่เอาแล้วไอ้ความคิดนึกต่างๆวิโตวิจารณ์อุเบคาซะบานที่เราก็จะไปคิดนึก เรื่องที่จะชวนคนนั้นคนนี้ออุเบกขาอุเบกขาอุเบกข า, าในปีตรีศุขนั้นจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อุเบกขาแล้วก็เข้าสู่ฌานที่สามฌานที่สามก็จะปรียเหมือนดอกบัวทุกฝังที่มันยังจมอยู่ในน้ําทั้งรากทั้งลําต้นทั้งดอกก็มันยังอยู่ใต้น้ํา ไม่มีส่วนใดที่โปรพ้นน้ำเลยน้ำเต็มไปหมดท่วมไปหมดเหมือนจิตของเราที่ประกอบด้วยอุเบกขาอย่างเดียวไม่มีวิตกวิจารณ์ไม่มีปีติเลยมีอุเบกขาแต่มันก็ยังจะมีสุขที่เกิดจากอุเบกขานั้นด้วยที่มันยังมีอยู่แน่นอนว่ามันก็เป็นอุเบกขาสุข ที่พอเรามีสุขที่อยู่จากอุเบกขาด้วยนี่ลัสนิชาญที่สามแล้วไม่มีปีติละ ว, วิตกวิจารณิพ่านไปแล้วจะมีความคิดนึกเรื่องใดนี่ไม่มีเลยแต่ว่าพอมีสุขที่เกิดจากอุเบกขาเนี่ยบางทีมันก็ยังมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจหลุดหลุดมาอยู่มันยังมีความหยาบอยู่บ้างในบางจุดยังมีความที่แหมมันเป็นอาพาธนะ เหมือนอาภาษ์ของกายของเราแม้ว่าแม่ผิวหนังนี่มันเนียนเรียบเลยแม่มันมีกระอยู่ตรงนี้นิดนึงนะแม่มันเป็นอาภาษ์นิดนึงนะเออจิก็เรามีอุเบกขาแล้วแม่แต่มันยังมีปีติที่มันโผล่มาบ้างนะนี่แหละจะทำไงอ่ะกำจัดสุกเลยสุกนั้นก็ไม่เอาอุเบกขาแม้ในสุขนั้นด้วยก็จึงเหลือแต่อุเบกขา ลุนลวนทำเวเปคาให้มันละเอียดลงทํายังไงอ่ะก็รู้อยู่ว่าอันนี้มันดีแต่ทําไมจิตมันไม่ไปจิตมันไม่ไปเพราะว่าไม่เห็นโทษต้องทํากันไครขรุณตัวแยบขายใช้ตัณหาหนึ่งอะไมากําจัดตัณหาใช้ลักษณะธรรมชาติของจิตมาทําจิตให้บริสุทธิ์เองทุกคนน่ะมันก็รักสุขเกลียดทุกข์กันในเรงนั้นนะใช่เปะละ่าอะไรที่มันสุขเพิ่มขึ้ น, นอะไรที่มันทุกข์ลดลง ว่านไงให้ใครลวรจะยับยั้งคายสิ่งที่เป็นสุขเพิ่มขึ้นทุกลดลงคือโทษของมันมีอยู่ในอะไรในความสุขเพราะมันเอาปีติมาด้วยประโยชน์ของสิ่งที่ไม่เป็นสุขคืออุเบกขาล้วนมีอยู่เพราะมันไม่เอาโทษคือปีติมาด้วยเออมันมีประโยชน์กว่าวนี่เรยียกว่าด้วยนีย่ใช่ เราเห็นประโยชน์คือความดีในข้อนี้เราเห็นโทษคือความไม่ดีในข้อนี้คือประโยชน์และโทษมันอยู่ที่เรามุมมองเนี่ยเรามีมุมมองในข้อนี้อย่างไรอย่างไรจิตบาดาคนที่เขาไม่รู้จักตารมากินเป็นตั้งเลงหัวไม้ชอบโกงชอบขโมยมันก็จะเห็นประโยชน์ของการโกงการขโมยเห็นโทษของการต้องทำงานหนักเขามีมุมมองในชีวิตอย่างนั้น นิ่ลักษณะคนโง่คนบานทุกคนมีมุมมองมีทิฐิมีความเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอเป็นมุมมองของตนของตนด้วยมุมมองนั้นๆมันก็จึงทําให้เกิดประโยชน์เกิดโทษที่แตกต่างกันว่าถ้าคนฉลาดเข้าใจสิ่งใดๆถูกต้องก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นโทษได้เพราะความก้าวใจถูกของตนแต่คนโง่บางทีก้าวใจผิดพลาดกล้าดเคลื่อน ก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นโทษไม่ได้เพราะความโง่คือคนบานของตนเพราะเป็นผู้ฉลาดนะตบะฝังคือข้าพเจ้าคิดว่าไม่มีใครอยากโง่นะเกิดมาในโลกนี้ก็อยากฉลาดกันทุกคนนะ่ะแต่ว่าจะฉลาดหรือโง่จริงๆมันก็อยู่ที่วัาคุณจริงๆมันเป็นยังไงเนี่ยคุณทําตามคนที่เขาฉลาดหรือโง่อย่างไรอย่างไรล่ะนี่นสําคัญตรงนี้ก็เรามีคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าที่ตุน ก็โง่มาก่อนนั่นแหละปิดพลาดมาก่อนมันยังทำให้ถูกได้ก็โง่มาก่อนแล้วมันถึงจะฉลาดได้คือทาให้เป็นก่อนแล้วมันถึงจะค่อยเป็นขึ้นมาเราเห็นเข้าใจให้มันถูกตามกระบวนการที่เป็นการตรีตรึกที่มีการไกรกรุนที่เป็นกา ร, ร, ก ร, การยุนิโซมนสิการคือปัญญามันทําให้เกิดสมาธิได้อย่างนี้ไงทุกฝั ง, งปัญญาอบรมสมาธิ สมาธิเองก็เป็นฐานให้เกิดปัญญาเหมือนกันอะเราใรกล้ครวรให้ถูกนีคือโยนิสโสมาสิการสมาธิก็เกิดขึ้นมีสมาธิเกิดขึ้นแล้วเราก็ะเห็นอะไรละเอียดละเอียดได้เพิ่มขึ้นจากการที่ว่าโอ้สิ่งนี้มันเป็นอาพาธนั้นนี่นะเอออาพาธแล้วจะทํำยังไงเราด้วยสมาธิมันจึงจะให้เกิดปัญญาได้ปัญญาให้เกิดสมาธิได้สมาธิให้เกิดปัญญาได้ การนี้มันจะเบรกทูออกไปการนี้มันจะทะลุดทะลวงถึงขั้นต่อไปนี่การนี้มันจะกําจัดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นมาแล้วให้ออกไปนี่มันต้องใช้ปัญญาการที่เราจะมามีฐานของจิตให้มันตั้งมั่นแนว่วแ น, วแนว่มั่นคงอยู่ได้นี่ต้องใช้สมาธิมันต้องไปด้วยกันตั้งบริวารละเอียดลงไปละเอียดลงไปจิตที่พอเราเหลืออุเบกขาล้วน หมายถึงความสุขที่เกิดขึ้นนั้นเราก็วางเฉยในความสุขนั้นด้วยจากสามมัก็ขึ้นไปสี่เท่านจะเปรี๋เหมือนกับชายที่เขานั่งกลุ่มตัวด้วยผ้าขาวจากศารีรษะจนถึงเท้าเลยทั้งตัวเลยไม่มีส่วนไหนที่ร่างกายของเขาไม่ถูกปกกลุ่มด้วยผ้าขาวเลยไม่มีเลยเหมือนกันว่าส่วนต่างๆของร่างกายใน เราทั้งหมดนี้ถูกปกกลุ่มด้วยอุเบกขาทั้งหมดเลยลักษณะ น, นี้ก็หมายความว่าถ้ามันมีเวทนาทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นปวดเขา่าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดหัวหรือเป็นโรคภัยไข้เจ็บปวดตามปวดท้องอยู่ในกายของเราเนี่เราจะวางเฉยในเวทนาต่างๆเหล่านั้นได้ วางเฉยในเวทนาไม่ได้หมายความว่าเวทนานั้นดับไปนะมีอยู่แต่เราวางเฉยในเวทนานั้นได้ไม่ได้หมายความว่าความปวดความหิวอะไรมันจะหายไปนะมันก็ยังมีอยู่แต่เราวางเฉยในเวทนานั้นได้ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะมีเงินทองมากขึ้นร่ํารวยเออลดความทุกข์นี่มีความสุขนะแต่ว่าเรามีอุเบกขา ในเวทนานั้นได้ซ้สำสามรอบเพื่อให้เข้าใจตัมฟวงว่าของโหบปขามาละเอียดปานนี้สุขที่เกิดขึ้นจากสิ่งใดๆมีมาอยู่ต่อเ น, นื่องเห็นด้วยปัญญาแล้ววางเฉยได้จิตครามก็จะค่อยมีการพัฒนาด้วยปัญญาไปในฌานสมาธิแต่ละขั้นๆ น, นั่นเองตัมฟังแล้วก็จะตมฟัางรักษาจิตเป็นอย่างนี้เนี่ยนะ ทำให้มันอยู่ได้อย่างต่อเนื่องทำให้มันอยู่ได้อย่างเป็นธรรมชาติรักษาจิตที่เป็นสมาธิมีสติตั้งไว้ทำให้มันได้ตลอดตั้งวรเลยการที่เราปฏิบัติมานั้นก็การนำธรรมะเข้าสู่จิตใจของเราให้มีความวิเวกเป็นการนำปัญญาที่เป็นส่วนหนึ่งของคําสอนเข้าสู่จิตใจของเรา เราก็จะเป็นผู้ดีประกอบด้วยสมาธิประกอบด้วยปัญญาชื่อว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเองธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วเราพุทธเจ้าท่านเห็นธรรมะคือศีลสมาธิปัญญาเรานำคำสอนต่างๆเหล่านั้นมาปฏิบัติก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้รับพรจากพระพุทธเจ้าแต่รับพรคือศีลสมาธิและปัญญานั้นๆนั่นเอง ติดตา้รับฟังจบไปนั้นคือช่วงจิตตะวิเวเป็นการฝึกทำจิตให้มีความสงบมีความวิเวหกหรือเร้นในรายการธรรมรับรุ่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้ผลิตโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านสามารถติดตามรับฟังได้ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงโมงเช้าทางสถานีวิทยุ กระจายสิ่งแห่งประเทศไทยหรือว่าในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือทางยูทูบชานแนลเฟซบุ๊กแฟนเพจเราก็มีให้ติดตามรับฟังกันข้าพเจ้าพระมหาไพบูรณ์อาพี่ปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจ ร, ริพร